3. ทุติยปราชิกกันว่าด้วยปราชิกสิกขาบทที่สองเริ่มเรื่องเล่าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณเขาคิจจูดใกล้กรุงราชคฤห์ครั้งนั้นภิกษุหลายรูปที่เป็นมิตรสหายกันได้ทำกุติย่าอยู่จำพรรษาข้างเขาอิสิคิลิท่านพระธนิยะผู้เป็นบุตรแห่งช่างหม้อก็ทำกุติย่า จำพรรษาอยู่ณที่นั่นด้วยภิกษุอื่นๆเมื่อออกพรรษาก็รื้อกุติหญ้าเก็บหญ้าเก็บไม้แล้วจาริกไปสู่ชนบทส่วนพระท่านิยะคงอยู่ในที่นั้นไม่ไปไหนตลอดสามฤดูขณะที่เข้าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านพวกคนเก็บหญ้าเก็บไม้มารื้อกุตินำหญ้าและใบไม้ไปท่านต้องทําใหม่แต่พวกนั้น ก็มารือ้อขโมยหญ้าและไม้ไปอีกถึงสามครั้งท่านพระธนิยะจึงคิดสร้างกุฏิดินเพราะเป็นผู้ชำนาญในการผสมดินปั้นหม้อมาก่อนเมื่อตกลงใจดังนั้นจึงเอาดินเหลวมาขยำแล้วทําเป็นกุฏิดินล้วนเอาญ้าไม้และมูลโคมาสมกุฏิที่ทำไว้แล้วให้เป็นกุฏิดินเผาสวยงามมีสีแดง ดังตัวมแมลงเต่าทองหมายเหตุอินทาโคปะกะอาจแปลได้ว่าหิ่งห้อยมแมลงทับแต่ทั้งสองชนิดนี้ไม่มีสีแดงการแปลคํานี้ในที่นี้เป็นปัญหาที่ค้นคว้ากันมากในผู้ศึกษาภาษาบาลีหลายประเทศส่วนใหญ่เห็นว่าได้แก่มแมลงเต่าทองซึ่งมแมลงชนิดนี้โดยปกติตัวสีแดงมีจุดดาแต่ที่ตัวสีเหลืองก็มีบ้าง กิตติศัพท์ของกุตินี้ที่ว่าสวยงามแพร่ไปพระพุทธเจ้าทรงทราบตรัสสั่งให้ทุบทําลายซะเพื่อมีให้ภิกษุรุ่นหลังเอาอย่างเพราะการขุดดินเอามาทำกุติอาจทำสัตว์ให้ตายได้แล้วทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามทำกุติดินล้วนปรับอาบัต ท, ทุกกฎแก่ผู้ล่วงละเมิด ท่านพระธานิยะไม่ยุติเพียงเท่านั้นเข้าไปหาคนเฝ้าโรงเก็บไม้ของหลวงเล่าความให้ฟังถึงเรื่องที่คนรื้อกุติญ้าขโมยหญ้าและไม้ไปถึงสามครั้งท่านจึงคิดทํากุติดินเผาก็ถูกสั่งให้ทำลายซะจึงมาขอไม้จากคนเฝ้าโรงเก็บไม้ของหลวงคนเฝ้าปฏิเสธว่าตนไม่มีไม้ที่จะให้มีแต่ไม้ที่เป็นของพระราชาห่วงแหน เพื่อใช้ซ่อมพระนครเก็บไว้ในคราวมีอันตรายถ้าพระราชาพระราชทานก็นำไปได้ประธานิยะตอบว่าพระราชาพระราชทานแล้วคนเฝ้าโรงไม้เชื่อว่าเป็นพระคงไม่พูดปดจึงอนุญาตให้นำไปท่านประธานิยะก็นำไม้มาตัดเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยใสเกวียนขนไปทากุฏิไม้ เมื่อวัสการพรามอามา์ผู้ใหญ่มาตรวจพบว่าไม้หายไปจึงไต่สวนและนำความกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารมีรับสั่งให้นำตัวคนเฝ้าโรงไม้เข้าไปเฝ้าเขาจึงถูกมัดนำตัวไปท่านพระธนิยะเห็นคนเฝ้าไม้ถูกมัดนำตัวไปจึงสอบถามได้ความแล้วก็าตามไปด้วย พระเจ้าพิมพิสารตรัสถามว่าเป็นความจริงเหรอที่ว่าพระองค์ถวายไม้นั้นท่านประธนิยะตอบว่าเป็นความจริงพระเจ้าพิมพิสารตรัสว่าพระองค์เป็นพระราชามีเกตุระมากถวายไปแล้วอานนึกไม่ออกก็ได้ถ้าท่านประธนิยะนึกออกก็ขอให้ชี้แจงมาท่านพระธนิยะทูลถามว่า ทรงระลึกได้หรือไม่ที่ทรงเปล่งวาจาในวันอภิเษกเสวยราชว่ า, าหญ้าไม้และน้ำเป็นอันข้าพเจ้าถวายแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายขอจงใช้สอยเถิดตรัสตอบว่าทรงระลึกได้แต่ที่ตรัสอย่างนั้นทรงหมายสำหรับสมณพราหมณ์ผู้มีความละอายผู้มีความรังเกียจซึ่งหมายถึงผู้มีศีลอันดีย่อมละอายใจ รังเกียจในความชั่วแม้มีธุระจะใช้หญ้าใช้ไม้เล็กน้อยในป่าก็ไม่กล้าใช้จึงประธานอนุญาตไว้ไม่ได้หมายอนุญาตของในเมืองและยังทรงอธิบายต่อไปอีกว่าหมายถึงสมณะพราหมผู้ใกล้ต่อการศึกษาผู้เกิดความรังเกียจแม้ในความชั่วเพียงเล็กน้อยและทรงหมายถึงสิ่งของที่ไม่มีใครหวงแหนในป่า ท่านถือเอาไม้ที่มิได้ให้ด้วยเลสนี้คนอย่างพระองค์จะพึงฆ่าจองจําหรือเนระเทศสมณนะหรือพราหมณ์ได้อย่างไรท่านจงไปเถิดท่านผ้นผิดเพราะเป็นเพศบันพชิตต่อไปอย่าทําอย่างนี้อีกมนุษย์ทั้งหลายพากันติเตียนด้วยประการต่างๆความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ รงตวนเมื่อท่านพระธนิยะยอมรับความจริงแล้วจึงทรงถามภิกษุผู้เคยเป็นมหาอมาตย์ผู้พิพากษาซึ่งเข้ามาบวชว่าพระเจ้าพิมพิสารทรงจับโจรได้ทรงประหารชีวิตจองจำหรือเนรเทศด้วยกำหนดทรัพย์เท่าไหร่ก็ได้รับคำตอบว่าในที่นี้ท่านเทียบเป็นเงินไทยแล้วนะครับก็ได้รับคาตอบว่าคือบาทหนึ่ง หรือมีราคาเท่ากับบาทหนึ่งหรือเกินกว่าบาทหนึ่งครั้งนั้นในกรุงราชครืบบาทหนึ่งเท่ากับห้ามาศจึงทรงบัญญัติสิกขาบทให้ภิกษุถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้ผู้ใดทำเช่นนั้นได้ราคาเดียวกับที่พระราชาจับโจรได้ประหารชีวิตจองจําหรือเนรเทศต้องอาบัติาราชิก ราคาบาทหนึ่งหรือห้ามาศของนคร น, นั้นมีราคาสูงพอใช้เพราะในเรื่องตัวอย่างบางเรื่องผ้าโพกที่ขโมยมาจากตลาดราคายังไม่ถึงบาทหนึ่งหรือห้ามาศได้ซ้ำดูวินัยปิฎกเล่มหนึ่งหน้า126แต่ผ้าโพกที่ราคาถึงปรับอาบตทประราชิกก็มีในหน้าหนึ่งรออนุบัญญัติ หรือข้อบัญญัติเพิ่มเติมสมัยนั้นภิกษุจับพักขีหมายถึงพวกหกคือเป็นพวกร่วมใจกันหกรูปไปที่ลานตากผ้าของช่างย้อมขโมยห่อผ้าของช่างย้อมนํามาแบ่งกันความทราบถึงภิกษุทั้งหลายเธอแก้ตัวว่าที่เธอไปลักในป่าไม่ได้ลักในบ้านสิกขาบทที่บัญญัติมุ่งหมายถึงลักในบ้าน ซึ่งความจริงในตัวสิกขาบทไม่ได้ระบุสถานที่แต่เพื่อที่จะปิดมีให้ข้อโต้เถียงต่อไปพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติเพิ่มเติมว่าลักของจากบ้านก็ตามจากปากก็ตามในเรื่องที่เกิดขึ้นทรงตัดสินว่าต้องอาบัติปาราชิกต่อจากนั้นเป็นคำอธิบายสิกขาบททุกคำโดยละเอียด พร้อมทั้งเติมถ้อยคำที่กันข้อแก้ตัวเช่นคำว่าของตั้งอยู่บนพื้นบนบกบนอากาศเช่นนกบนเวหาดเช่นของแขวนไว้ในน้าบนเรือบนยานบนเครื่องแบกเช่นศีรษะหรือซสเอวในอารามในวิหารในานาในสวนในบ้านในป่าเป็นต้นลักษณะที่ไม่ต้องอาบัดมีแปดประการคือหนึ่ง ภิกษุถือเอาด้วยเข้าใจว่าเป็นของตนคือหยิบผิด2ถือเอาด้วยเข้าใจว่าคุ้นเคยกันแม้เจ้าของรู้ก็คงไม่ว่า3ถือเอาโดยเป็นของยืม4ถือเอาของที่ผู้ล่วงลับไปแล้วหวงแหนซึ่งไม่รับรองสิทธิ์ของคนที่ตายไปแล้วเว้นแต่จะมีผู้รับมรดกต่อห้า ถือเอาของที่สัตว์หวงแหนเช่นเสือกัดเนื้อตายภิกษุถือเอามาบางส่วนเพื่อเป็นอาหาร 6. ถือเอาด้วยบางสุกุลสัญญาเข้าใจว่าเป็นของเขาทิ้งแล้ว 7. ภิกษุเป็นบ้า 8. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติวินีตวัตถุ เรื่องที่ทรงวินิจฉัยชี้ขาดต่อจากนั้นมีการแสดงตัวอย่างที่ภิกษุทําไปเกี่ยวกับสิกขาบทนี้ในลักษณะต่างๆกันประมาณ149เรื่องพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวินิจฉัยไต่ส่วนแล้วทรงชี้ขาดว่าต้องอาบัติป ร, ราชิกหรือไม่ตามควรแก่กรณี